มำบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดจากผลงานเขียนของอาจารย์วศินอินทศรัอาจารย์วศินอินทศรัได้กล่าวถึงหนันสงสือเรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในคำนำในการพิมพ์ครั้งที่หนึ่งดังต่อไปนี้เรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัฏนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องหลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนาหรือพุทธปรัชญาเทรวาตซึ่งมีเรื่องบรรจุอยู่สี่เรื่องด้วยกันคืออริยสัจสีหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาทหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดมีความสำคัญอย่างไรได้กล่าวไว้ละเอียดพอสมควรแล้วในเนื้อหาของเรื่องจึงไม่จาเป็นต้องพูดซ้าอีกในที่นี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าคนทั้งหลายเชื่อมั่นในเรื่องหลักกรรมและการเกิดใหม่ตามกฎแห่งกรรมอย่างสุจริตใจแล้วความเสื่อมโทรมรอบด้านของสังคมจะลดน้อยลงสังคมจะเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะผู้เชื่อเช่นนั้นจะถอนตนจากการทำชั่วแต่จะมีความบากบั่นอย่างมั่นคงในการทำความดี สาเหตุอันแท้จริงของความเสื่อมและความเจริญของสังคมนั้นอยู่ที่จิตใจคนถ้าจิตใจของคนเจริญสังคมก็เจริญถ้ายังเปลี่ยนจิตใจคนไม่ได้สังคมก็เปลี่ยนไปไม่ได้เพราะสังคมประกอบขึ้นด้วยปัจเจกชนถ้าประชาชนของเรายังไม่ดีพอรัฐบาลก็ดีไม่ได้เพราะรัฐบาลก็คือประชาชนที่ไปทาหน้าที่บริหารบ้านเมือง ถ้าเขายัางเป็นคนชั่วอยู่ยิ่งได้เป็นใหญ่ได้ครองอํานาจก็จะทำชั่วได้มากขึ้นเพราะมีเครื่องมือและโอกาสมากขึ้นมีสิ่งยั่วยวนให้ลุ่มหลงมัวเมามากขึ้นบรรดาสิ่งยั่วยวนใจทั้งหลายอํานาจมีที่พลยั่วยวนใจที่สุดและรวดเร็ว ด, ด้วยอํานาจอาจทำให้คนที่เคยดีเสียไปได้ไม่ต้องพูดถึงคนที่ทาชั่วอยู่แล้ว ความจริงข้อนี้มีตัวอย่างให้เห็นอยู่มากมายการยอมรับเชื่อในหลักกรรมและสังสารวัตรเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลมองชีวิตในสายยาวไม่มองในสายสั้นเพียงเพื่อความสุขความสมปรารถนาเฉพาะปัจจุบันโดยไม่คํานึงถึงโทษอันจะมีมาในชีวิตหน้าช่วยให้อดทนได้สามารถประคับประคองใจให้สงบอยู่ได้แม้ในยามทุกข์ ดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาความรู้สึกและสะภาพชีวิตเช่นนี้ย่อมช่วยสังคมสงบสุขปราศจากการเบียดเบียนกันก็การเบียดเบียนล้างผลาญกันทั้งโดยตรงและโดยอ้อมไม่ใช่หรือที่เป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาบ้านเมืองหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นถ้าได้นำมาปฏิบัติให้เหมาะสมแล้วจะช่วยให้ชีวิตส่วบุคคลสังคมและประเทศชาติ สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองได้มากทีเดียวคนไทยมีของดีอยู่แล้วทั้งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ถ้าคนไทยปฏิบัติชอบปฏิบัติให้ถูกให้ควรแล้วสถาบันทั้งสามนี้จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่คนไทยอย่างประมาณไม่ได้วสินอินทศระสิบแปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบแปคำนำในการพิมพ์ครั้งที่ส1 เรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนาถือเป็นหลักความเชื่อพื้นฐานสำคัญที่ช่วยทำรมความสงบสุขในสังคมไทยมาช้านานแต่ในปัจจุบันคนไทยเรากลับมีความเชื่อเรื่องนี้น้อยลงเรื่อยๆอย่างน่าใจหายและที่เชื่อก็มักจะคล้ายเคลื่อนไปจากหลักเดิมแท้เสียมาก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะไปหลงไข้เขวกับปรากฏการณ์ที่พบเห็นว่าคนที่ทำชั่วทุจริตกลับร่ำรวยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมขณะที่คนดีสุจริตกับยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นจึงคิดว่าหลักกรรมที่สอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคงไม่เป็นจริงลักระมัง การที่จะอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ได้อย่างท่องแท้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดและแม้ว่าในส่วนของการแสดงผลของกรรมในชาติเดียวจะสามารถยกเหตุผลมาอธิบายได้ง่ายกว่าแต่ก็ใช่ว่าจะง่ายนักในสังคมที่มีความสับสนในระบบคุณค่าเวลานี้แต่สำหรับเรื่องกรรมที่ให้ผลแบบข้ามชาต ยิ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจยากขึ้นไปอีกเพราะไปสัมพันธ์กับเรื่องการเกิดการตายซึ่งไม่ใช่เป็นปัญหาเล็กน้อยเพราะตั้งแต่สมัยดึกดำมาจนกระทั่งบัดนี้ก็มีาศาสดาหรือนักปราดถจำนวนมากได้พยายามคิดหาห้นทางที่จะให้ทราบว่าคนตายแล้วสูญไปเลยหรือคนตายแล้วไปเกิดได้อีกถ้าไปเกิดได้เอาอะไรไปเกิด ไปอย่างไรและเกิดอย่างไรดังนี้เป็นต้นจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นปัญหาที่หาได้คลี่คลายออกไปจนถึงสามารถยืนยันได้ไม่จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าพระพุทธองค์ทรงสอนเราให้มีท่าทีต่อเรื่องเหล่านี้อย่างไรในหนังสือเล่มนี้ท่านอาจารย์วสินอินทศราปราดผู้ทรงคุณวุฒิ แห่งสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาได้อธิบายถึงหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดไว้เกือบทุกแง่มุมตามหลักของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาดโดยได้ยกหลักฐานอ้างอิงและมีตัวอย่างอุปมาเปรียบเทียบด้วยหลักแห่งเหตุผลประกอบกับสามัญสำนึกได้อย่างน่าสนใจยิ่ง นับเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริงสำนักพิมพ์ธรรมดาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเมตตาของท่านอาจารย์วสินอินทศราราที่กรุณาอนุญาตให้พิมพ์เผยแพร่หนังสือนี้ในวงกว้างแก่สาธุชนผู้พึงได้สะดับตรับฟังถ้อยคำแห่งสติป an ัญญานี้ เพื่อจันหลงชีวิตและสังคมให้อยู่ในแนวทางแห่งสัมมาทิฏฐิอันจะนำมาซึ่งความสงบสุขอย่างแท้จริงด้วยความปรารถนาดีสำนักพิมพ์ธรรมดาทำใดก็ร้ายค่าถ้าไม่ทำคำขอบพระคุณในนามของบริษัทเอกโยงวงจำกัดและห้างคุณส่วนจำกัดยงฮงจันต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วสินอินทศระเป็นอย่างสูง ที่กรุณาเมตตาอนุญาตให้จัดพิมพ์หนังสืออันทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนาเรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยมุ่งหวังประโยชน์สุขแก่สาธุชนเพราะความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องหลักกรรมนี้จะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ไขไปสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพื่อเป้าหมายที่ดีงามและสูงส่งในการพัฒนาจิตใจ ดังนั้นเมื่อท่านได้รับหนังสือแล้วโปรดทาบุญให้กับตัวเองด้วยการอ่านให้จบอย่างน้อยสักหนึ่งครั้งและทําบุญให้กับผู้อื่นด้วยการให้ยืมอ่านต่อไปอย่างน้อยหนึ่งคนทุกครั้งที่ท่านให้ผู้อื่นยืมอ่านท่านจะได้บุญเพิ่มขึ้นขอนนโมทนาบุญแก่ท่านและขอให้ท่านมีความสุขจากการให้ธรรมทานแก่ตนเองและคนอื่นเช่นกัน ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งนิพนร์รำพาวนาคุณเรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดโดยวสิ์อินทสระความเบื้องต้นเรื่องสำคัญยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาคือเรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า the law of karma and rebirth ความเข้าใจเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดจะช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้ทุกแง่ทุกมุมทำให้ไม่ต้องน้อยใจในชะตาชีวิตของตนและไม่ริษยาความสุขของผู้อื่นเพราะได้เห็นแจ้งแล้วว่าความสุขทุกความรุ่งเรืองหรือล้มเหลวในชีวิตของแต่ละคนนั้นเป็นผลรวมแห่งกรรมของตนหรือกรรมแห่งหมู่คณะของตนเป็นต้น เรื่องกรรมช่วยแก้ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ความแตกต่างกันในร่มอุปนิสัยใจคอของคนแม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกันและมีมารดาบิดาเดียวกันได้รับการอบรมอย่างเดียวกันความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเรื่องกรรมทำให้บุคคลมีน้ำอดน้ำทนมีความบากบัน่นมั่นคงไม่ท้อถอย มีความเพียรสั่งสมกรรมดีขยาต่อกรรมชั่วไม่ตีโพยตีพายเมื่อผิดหวังและไม่ระเริงหลงในเมื่อประสบผลดีเพราะมารู้แจ้งว่าผลทุกอย่างย่อมมีมาแต่เหตุเรื่องกรรมชั่วยให้บุคคลกล้าเผชิญชีวิตอย่างกล้าหาญเด็ดเดียวสามารถมองเห็นแง่ดีแม้ของความผิดหวังหรือสิ่งที่เรียกกันว่าโชคร้าย เพราะจำแจ้งว่ามันเป็นการใช้นี่กรรมอย่างหนึ่งทําให้เรือชีวิตเบาขึ้นทําให้แล่นไปข้างหน้าได้รวดเร็วขึ้นเหมือนบุคคลมีนี่ศิล์นเมื่อได้ใช้นี่ไปเสียบ้างย่อมทําให้สบายใจขึ้นเบาใจขึ้นหลักกรรมจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีการเกิดใหม่หรือการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมีปัญหาชีวิตหลายอย่างที่ไม่อาจเข้าใจได้ถ้าปราศจากการเวียนว่ายตายเกิด หรือที่เรียกว่าสังสารวัตรเช่นปัญหาเรื่องคนดีบางคนมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานและคนชั่วบางคนมีชีวิตอยู่อย่างสุขสาราญเป็นต้นปัญหานี้จะเป็นเรื่องค้างโลกถ้ากฎแห่งกรรมและการเกิดใหม่ไม่เข้ามาช่วยแก้อันหนึ่งช่วงชีวิตเพียงช่วงเดียวของบุคคลสั้นเกินไปไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์กรรมที่บุคคลทาไว้แล้วได้ทั้งหมด การเกิดใหม่จะช่วยอธิบายกรรมในอดีตของคนได้อย่างดีที่สุดดังนั้นชีวิตมนุษย์จึงเป็นสนามหรือเวทีสำหรับทดลองแรงกรรมว่าใครได้ทำกรรมอะไรไว้มากน้อยเบาบางหรือรุนแรงเพียงใดด้วยประการชนีการศึกษาให้รู้แจ้งในเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง มีผลเป็นความสุขสงบแก่ผู้ศึกษาเรียนรู้มีประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตจิตใจให้สูงขึ้นร่มเย็นและทำให้เห็นว่าการเกิดของเรามีความหมายไม่ใช่เกิดมาโดยบังเอิญมีชีวิตอย่างหลากรอยปล่อยตัวและตายไปอย่างน่าสมเพช เ, เวทนาเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดทำให้บุคคลหายงง ง, ง่ายต่อความขึ้นลงของชีวิต ช่วยคลี่คลายความข้องใจในความสับสนของชีวิตเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกผู้นับถือพระพุทธศาสนาควรเรียนรู้และทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งเพื่อชีวิตของตนเองจะได้ดีขึ้นและทำให้ผู้ใกล้ชิดเช่นบุตรหลานหรือบริวารชนให้มีความเข้าใจในปัญหาชีวิตของตนครูผู้สอนวิชาศาสนาหรือวิชาอื่นใดก็ตาม ควรย้ำให้หนักเรียนเข้าใจและเชื่อมั่นในเรื่องกรรมและสังสารวัตรเพราะอันนี้คือพื้นฐานอันจะทําให้ศีลธรรมั่นคงในจิตใจของเยาวชนเหล่านั้นต่อไปนี้เป็นพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็แห่งบรมราชกิณีวงสําหรับพระพุทธศาสนานั้นข้าพระเจ้ามีความเห็นว่า สิ่งที่เราควรจะสอนให้เข้าใจและให้เชื่อมั่นเสียตั้งแต่ต้นทีเดียวคือสิ่งที่เป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นคือวัตฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดและกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาเพราะหนทางปฏิบัติของพระพุทธศาสนาก็เพื่อให้พ้นจากวัตะสงสารอันเป็นความทุกข์ แต่สิ่งที่ดีประเสริฐยิ่งนั้นคือความเชื่อในกรรมแต่จะสอนเฉพาะเรื่องกรรมอย่างเดียวไม่สอนเรื่องวัฏฏะสงสารด้วยก็ไม่สมบูรณ์ความเชื่อในกรรมข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นของประเสริฐยิ่งควรเพาะให้มีขึ้นในใจของคนทุกคนและถ้าคนทั้งโลกเชื่อมั่นในกรรมแล้วมนุษย์ในโลกจะได้รับความสุขใจขึ้นมาก เป็นสิ่งที่ทำให้คนขนขวายทำแต่กรรมดีโดยหวังผลที่ดีเรื่องวัตตะสงสารและกรรมนี้เป็นของต้องมีความเชื่อเพราะเป็นของที่น่าเชื่อกว่าความเชื่ออีกหลายอย่างข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าถ้าคนเราเชื่อกรรมจริงๆแล้วควรจะได้ความสุขใจไม่น้อยโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกท้อถอยแต่อย่างไรข้าพเจ้าเห็นว่าเราควรพยายามสอนเด็ก ให้เข้าใจและให้เชื่อมั่นในกรรมเสียแต่ต้นทีเดียวยิ่งให้เชื่อได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีควรให้ฝังเป็นนิสัยทีเดียวหมายเหตุข้อความข้างต้นนั้นเก็บความจากพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อ16พฤษภาคม2472